เขบอกว่าในบางแห่งข้างหน้าจะกล่าวต่อไปว่าขณะที่อกุศลมันเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าขณะที่เจริญกุศลเหมือนกับการเกี่ยวข้าวการเกี่ยวข้าวขณะที่อกุศลเกิดขึ้นก็เหมือนกับวัวมันแหกรั้วเข้ามาถามว่าชาวนาผู้ฉลาดก็ยังเกี่ยวไม่สนใจวัวเขาทําอย่างนั้นไหมไม่สนใจเนี่ยนะก็ต้องรีบไป ร, รีบไล่วัวออกไปก่อน ท่า น, นก็เหมือนกับคนที่กําลังอะไรนะกำลังเก็บรวบรวมรวบรวมทราบอยู่เนี่ยนะมีอันตรายเข้ามาแล้วทำยังไงก็กําจัดอันตรายเสียก่อนเพราะท่านถือว่าราคะโทสะโมหะเป็นอันตรายต่อกุศลธรรมเพราะพระองค์ตรัสว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นอันตรายภายในเป็นฆาศึกภายในเป็นเชพชะฆาตภายในเป็นผู้ฆ่าภายในนีเมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหม เอ้รู้ได้ยังไงว่าราคะมันเกิดขึ้นโทสะมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันวา้มากอ่าบางคนก็บอกอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงกับมันก็บอกว่าคนที่ชํานาญในทางความคิดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคิดอย่างเงี้ยโลภคิดอย่างนี้เป็นโทสะคิดอย่างนี้เป็นโมหะแล้วเมื่อมันคิดอย่างเงี้ยแก้ความคิดอย่างเงี้ยแก้ได้อย่างไรเรียกว่าออกจากกุศลวิตกเหล่านั้นด้วยกุศลวิตกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะข่มราคะโทสะและโมหะได้ในอิริยาบถทั้ง4เพราะนั้นกติกาตกลงกันไว้แล้วนะ ว่าจะไม่มีใครอยู่ด้วยอกุศลวิตกในอิริยาบถสแล้วก็อยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยสมถาวิปัสนาแล้วมอยู่เขาบอกอุ้ยเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยถ้าไมให้เราอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะคําสอนพระไตรปิฎกสอนไว้เกาสิเล่มเนี่เป็นเครื่องมือกำจัดราคะโทสะโมหะนั่นแหลวะวันคิดให้มันได้คําสอนสักสูตรก็ยังดีกันแล้วกันเหมือนกันถ้าไม่ได้อะไรก็สาธยายไว้สักสูตรหนึ่งเป็นประจําใจก็แล้วกันไม่งั้นเอาบาปเข้ามาตลอดเลยแหละ บอกว่าบอกโอ้ยเราทําไม่ได้เราจะให้กุศลวิจกกุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะได้ทั้งวันได้ตลอดอิริยาบถมันทำยากเหมือนกันทําไม่ได้แต่เชื่อจริงอทําได้ถามว่าทําได้ยังไงทําได้หนึ่งเห็นโทษของอกุศลก่อนสองเห็นกําไรของการเจริญกุศลกําไรเรียกว่าอนนี้สองสาพระธรรมคําสอนที่โดยเฉพาะคําสอนไหนที่เราชอบคนที่ชอบไปเลือกเอาคําสอนที่ตัวเองบอกว่ามันดีเหลือเกินแต่มันยากชอบตรงนั้นก็เลยเครียด แต่ว่าทําไมเราไม่เลือกเอาคําสอนที่เราชอบที่สุดสักสองสมสูตรก็ได้หรือสูตรเดียวก็ได้แล้วสาธยายให้บ่อยๆตรึกให้บ่อยๆคิดถึงพระสูตรนั้นบ่อยๆ อ, อย่างบางคนเนี่ยตรึกมงคลสูตรได้เกืบทั้งวันเลยนะคิดอยู่สูตรเดียวเนี่ยมงคลสูตรคิดในแง่มุมต่างๆวิจัยไปเรื่อยๆบางคนอยู่กับอิติปิโสได้ทั้งวันบางคนอยู่กับเนี่ยเมตสูตรได้ทั้งวันเนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่คิดถึงพระธรรมเป็นบุญ คิดถึงเรื่องอื่นเป็นบาปแล้วจะเอาบุญหรือเอาบาปล่ะแล้วบาปมันมีโทษไมหมละ่ะแล้วบุญมีกุศลไมหมละ่ะมีกําไรไหมดีไหมเมื่อเห็นคุณของการเจริญกุศลก็ยินดีที่จะให้ใจเป็นไปกับบุญเคยเห็นว่าโยมบางคนก็ร้องเพลงได้ทั้งวันทร่ำเพลงได้อยู่ทั้งวันเนี่ยนะพร่ำในใจเนี่ยนะเพ้อได้ทั้งวันเนี่ยนะอัลลอฮทีทำไมกุศลธรรมทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้นะเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็มีบางคนที่เขาทําได้เขาให้จิตเป็นไปกับกุศลได้ทั้งวันจริงๆ เมื่อจิตเป็นไปกับกุศลได้ทั้งวันพอ่พอก็เลยทํากติกาว่าทุกคนจะต้องอยู่ด้วยกุศลอย่างเดียวภิกษุเหล่านั้นครั้นทํากติกาวัดกันไว้อย่างนี้แล้วเมื่อไปพิกขาจารย์พิกขาจารย์ก็คือเดินไปบินทบาทเนี่ยนะเมื่อเดินไปก็มณสิการกรรมฐานไปเดินไปก็จเจริญกรรมฐานไปตามสัญญานั้นเนี่ยนะก็คือตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้แล้วถ้าหากว่ากิเลสเกิดขึ้นแก่ ผู้ใดแปลว่าถ้าใครใจเศร้าหมองในขณะเดินนั น, นะคือเวลาที่เดินไปเนี่ยบางทีอาจจะเดินไปได้แค่ห้าสิบเมตรหรือ100เมตร300เมตร500เมตรเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าอุสภะ1นึ่งอุปภะครึ่งอุสภะหนึ่งอุสภะครึ่งคาวุธหรือว่าหนึ่งคาวุธก็คือเดินไปสักกิโลหนึ่งแล้วก็อากุศสนมันเกิดขึ้น ทีนี้เราก็ต้องทําสัญญาว่าเวลาเดินเนี่ยนะคนที่เขาเดินทางเส้นนั้นบ่อยๆเขาจะจําได้แม้กระทั่งต้นไม้ระหว่างทางมีกี่ต้นแทบจะจําได้ทั้งหมดเพราะเขามีการตั้งไว้เลยว่าจากนี้ไปถึงตรงนั้นจะต้องอกุศลต้องไม่เกิดภายในระยะเวลาเดินทางเนี่ยสินาทีหรือเดินทางจากต้นไม้นี้ไปถึงต้นไม้โน้นจากละแวกตรงนี้ไปถึงตรงโน้นต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวเพรามีการตั้งไว้แล้วว่าจากเส้นทางตรงนี้ไปถึงตรงนั้นต้องเป็นกุศลอย่างเดียวทีนี้ถ้ามันเป็นอกุศลในระหว่างทางรู้เลย โอ้นี่เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งไว้สัก20เมตรแล้วเดินทางไปได้20เมตรมันเป็นอกุศลเกิดขึ้นรู้ล้กุศสจิตเกิดมาเนื่องมาได้10เมตรอย่างเงี้ยนะเมตรที่10เนี่ยอกุศลนจิตมันเกิดทําไงก็ต้องข่มกิเลสขึ้นในขณะนั้นนะั่นแหละบางท่านก็ข่มกิเลสในขณะนั้นนั่นเองถ้าข่มไม่ได้ก็หยุดยืนซะยืนอยู่ตรงนั้นว่าไปต่อไม่ได้แล้วเพราะจะเดินต่อไปเนี่ย เดินด้วยอกุศลเลยนะเพราะที่ผ่านมาเราเดินมาด้วยกุศลจิตนี่ถ้ายังคืนเดินต่อไปมันจะเดินด้วยอกุศลถ้าเดินจากด้วยอกุศลมันก็เสียหายนี่ทํำยังไงเธอในทางธรรมะเนี่ยแท้คิดแบบทางโลกเลยนะเขาบอกว่าท่านเราเนี่ยคาอกุศลอย่างเดียวเพราะนั่นก็เหมือนกับว่าอกุศลจิตเกิดมันก็เป็นความขาดทุนที่ย่อยเย้าปะก็เลยทํำยังไงพราะจะต้องหยุดซะก่อนเนี่ยนะเพราะคืนต่อไปเนี่ยมันเสียหายมากก็เลยต้องหยุดก่อน หยุดแล้วก็พิจารณาเพื่อที่จะกําจัดอกุศลวิตกเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้พระภิกษุรูปหลังเดินตามมาก็ยืนตามเธอก็จะเตือนเนี่ยรูปข้างหลังเห็นรู้แล้วนะว่าท่านเนี่ยจิตเป็นบาปแน่ท่านจึงยืนอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่สมควรแก่เจ้าผู้เป็นสมณะเสร็จแล้วก็บางทีก็บางคนเนี่ยสังเวกขวัตถุเป็นเหตุใกล้แห่งความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้แห่งการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นก็สังเวกขวัตถุก็ทําให้เจริญ ม, มิปัสสนาก้าวลงสู่อริยภูมิ บางคนเนี่ยนะที่บรรลุได้เพราะโอ้คนนั้นเขารู้แล้วนะว่าเราเป็นอกุศลสังเวทใจมากก็เลยเจริญวิปัสนาบรรลุเลยก็มีแล้วก็แต่ทําไม่สามารถทําได้อย่างนั้นคือพอเอ๊ก็มาทำไม่ได้เธอก็จะนั่งเรียกว่ายืนแล้วอกุศลมันก็ไม่เลิกเอาแล้วนั่งเลยนั่งแล้วก็รูปหลังก็ตามมานั่งก็ไม่สามารถก้าวลงสู่อริยภูมิยังไงก็ยังไม่บรรลุสักทีหนึ่ง ก็ให้ข่มกิเลสเนี่ยนะเปลี่ยนเรียก ว, ว่าวิธีข่มกิเลสเนี่ยในในในสติปัฏฐานจะกล่าวแต่ว่ า, าภาพรวมเฉยแต่วิธีการหลีกเลี่ยงจากาจากอากุศลมาให้เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวโน่นะในสูตรข้างหน้าเรียก ว, ว่าวิตรักษาฐานสูตรกับเวทาวิตรกสูตรเนี่ยนะ ท, ที่เล่มต่อไปเนี่ยจะมีวิธีกำจัดอกุศลให้เป็น กุศลแยกว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางอา ก, กุศลเส้นทางไหนเป็นทางแห่งกุศลเลี้ยงจากอา ก, กุศลมาเป็นกุศลได้อย่างไรแล้วเพิ่มพูนกุศลให้มันมีกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรนะอยู่สองสูตรคื อ, อวิตตักกะสันฐานสูตรกับทเวทาวิตตักกสูตรเนี่ยนะซึ่งข้างหน้าจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งมันก็จะข่มกิเลส น, นะหลีดเลี้ยงก็จเจริญกุศลไปนะพอถ้ากุศลมันเกิดวเาไม่มีอะไรจริงก็อิติปิโสพัควาระหังสัมมาไปเรื่อยันก็ได้ ทำวัดเช้าเลยก็ได้เอาสมมตินะเพราะเอ้ยนี่เหมือนกับว่านั่งรถไปขับรถไปแล้วกุศลมันเกิดเนี่นะเอมันนี่ปล่อยให้กุศลเกิดได้ยังไงก็พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ว่าไปเรื่อยๆให้มันชำนาญเนี่ยนะ ว่าภาษาไทยไม่ได้ก็ว่าบาลีก็ได้ว่าอิทีปิโสปะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นแทนที่จะบ่นอย่างเงี้ยแทนที่จะบ่นเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องใช่ไหมบ่นเรื่องรถเรื่องทางเรื่องฝนเรื่องแดดเรื่องรถข้างหน้ารถข้างหลังข้างซ้ายข้าง ข, างขวาก็อีทีปิโสปะควาดีกว่าเนี่ยก็อิทีปิโสไปเรื่อยๆจิตมันก็จะเป็นบุญไประยะยาวขึ้นเนะเพราะว่าเราบ่นก็ไม่ได้ทําให้รถมันคล่องตัวขึ้นอะไรหรอกเพราะบ่นในคนข้างๆแล้วรำคาญนะดีไม่ดีหูใครมันได้ยินก่อนนะก็สะสมขยะไว้เต็มหูไปหมดเลยนะ ขยะจากปากใส่หูตัวเองกรอกใส่หูใจก็เลยมีแต่ขยะอยู่กับใจมันก็ออกจากอากุศลด้วยการมาสาธยายกุศลละท่าจิตให้มันเกิดบ่อยๆะนั้นก็เจริญกรรมฐานต่อไปเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าแป บ, บพระพิสูจนโบราณไปบินทบาทก็เราก็เหมือนกับขับรถไปทํางานนั่งรถไปทํางานนั่นแหละเราจะคิดยังไงให้มันเป็นกุศลให้ได้จากเส้นทางจากบ้านไปถึงที่ทํางานเนี่ย ในระยะเวลาเนี่ยมันผ่านถนนกี่สายแล้วก็ผ่านเส้นทางกี่กิโลเจริญกุศลมาได้กี่กิโลและกุศลมันแทรกในระหว่างไหนแล้วกาจัดอกุศลให้มันเป็นกุศลต่อไปได้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยก็น่าบริหารนะเพราะว่าเรา1วันหนึ่งเดินทางไม่ใช่น้อยใช่ไหมเดินทางตั้งหลายกิโลและไอ้ระหว่างเดินทางเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยชีวิตของเราหมดไปตรงนั้นเนี่ยชาติหนึ่งหลายชั่วโมงด้วยกันนะผมมาเชื่อว่าหลายพันชั่วโมงด้วย หลายพันชั่วโมงนี่มันศูนเปล่าเลยแล้วนี่เสียตลอดเลยหรอล้เพราะอะไรเพราะอากุศลมันเกิดมากเกินไปในระหว่างเดินทางทํายังไงจะแก้ปัญหาว่าอากุศลที่มันเกิดในระหว่างเดินทางเนี่ยให้มันเป็นกุศลเนี่ยนะคิดว่าสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาได้เนะไม่ได้ทับเพราะว่าขณะนั้นอาจจะไม่ได้โพกท ร, รัพย์ก็ให้มันได้อริยทรัพย์สักอย่างหนึ่งก็ยังดีแล้วก็เจริญเนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติก็เป็นกรรมฐานอยู่แล้วเนี่ยนะทำวัดเช้าทําวัดเย็นนี่ก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นหรือสายทะยานประส ก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นเอติป e ิโสก็ได้ปัญหามจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ปัญหาถ้าบอกว่าโอ้เขไม่เห็นกําไรไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนถ้าอย่างนี้ก็เชื่อเจริญได้ไม่มากแต่ถ้าเรารู้ว่ากุศลจิตดีมีคุณค่ามีราคาเราก็จะไม่ปล่อยให้เวลาว่างเนี่ยบางทีก็เดินทางสองชั่วโมง3ามชั่วโมงถือหรือสิบยีนาทีก็ช่างแต่ขณะนั้นมันก็คือเวลาชีวิตเวลาชีวิตเหล่านั้นเนี่ยเราเอามาทําอะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เจริญจิตให้เป็นกุศลในระหว่างเดินทางเนี่ย เราก็เสียเวลาชีวิตไปเปล่าตรงนั้นเสียเวลาชีวิตทีนี้ไอ้ตอนสุดท้ายของชีวิตเราบอกแหมเสียดายชาติเกิดจังเลยนะีนะซึ่งเรียกว่าใช้ไปหมดแล้วแล้วค่อยมาเสียดายทำอะไรได้นั้นก็พยายามที่จะอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนั้นเราก็สามารถอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสูตรใดสูตรหนึ่งให้ได้ถ้าเจริญได้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะถนนเส้นไหนที่เราเจริญกุศลไว้แล้วเนี่ยสา่ายนึกไปแล้วก็ปลอดภัยแน่แต่ถ้าถนนเส้นไหนเคยด่าไว้มากบ่นไว้เยอะทาอย่างนี้ก็ ทางใครกับทางใครแหละครับนี้แล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยนะคนมันชอบเล่าประวัติความหลังของตัวเองอะไรวางเดินทางเป็นอย่างนี้เชื่อเหอะไม่ได้ว่าโอ้โหตอนนั้นนะเดินมาถึงตรงนั้นเจริญสัมถาไปถึงตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญนิพพสนาเป็นตน้นไม่ค่อยมีพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่ไม่ค่อยสร้างสารรค์ตัวเองให้ไปสู่สวรรค์นิพพานอะไรหรอกคำพูดใดที่ไม่พูดสร้างสรรเพื่อสวรรค์นิพพานคําพูดนั้นเรียกอะไรเรียกว่าคําพูดที่ขวางสวรรค์ขวางนิพพาน แปลเป็นภาษาบาลีนะพูดพแปลภาษาพูดภาษาไทยแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีว่าเดระชานก็งั้นเดระชานไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาบาลีแปลว่าขวางเรียกวขวางต่อการบรรลุสวรรค์มรรคผลนิพพานเชื่อเถอะบางคำเนี่ยนะพูดมากพูดเยอะพูดบ่อยเขาบอกโอ้พูดมาตั้งมากมาแล้วคุณเกือบได้บรรลุมรรคผลเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่หรอกนั่นนะเป็นเหมือนกับคําพูดที่เหมือนกับแกลบเท่านั้นเองนะไม่มีเม็ดข้าวสารอะไรอยู่ในะนั้นพอไปหุงข้าวต้ม อ, อะไรได้หรอก เพราะฉะนั้นวิธีการเจริญเหล่านี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าขณะไหนที่พูดถึงสมัยก่อนเนี่ยท่านเดินไปยเนี่ยเดินไปบินธบาทถ้าเท้าก้าวข้างไหนที่เดินโดยที่ไม่มีกรรมฐานอยู่ในใจกลับมาก้าวใหมในะ่เพราะถือว่าทําด้วยความเผลอเรอก็ที่จริงอะ น, นะก็เหมือนกับว่าเราทําอะไรเสียหายเนี่ยเราเรายังฟื้นต่อไปไหมหรือกลับไปทําใหม่อันนั้นนะคือถ้าเห็นว่าการเจริญสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัพท์ถ้าทำอริยสัพท์ต ก, ตกตรงไหนเนี่ย ออแล้วก็ช่างมันไปเขาคิดอย่างงี้ไหมไม่เขาย้อนกลับมา อ, อทํำยังไงที่ไม่ให้มันมีการเผลอเลย อ, อีกต่อไปก็ย้อนกลับมาเจริญกรรมฐานต่อที่เราไม่ให้ใจกลับต่างจากกรรมฐานเลยอย่างเช่นพระมหาปุษฏีวะเถระชาวอารินทกะ มีเรื่องเล่ามาว่าพระเทระรูปนี้นะคือพระมหาปุษฏิวะเทระเนี่ยบำเพ็ญขะตะปัจจาคติกวัฏวัดในการนํากรรมฐานไปในาํากรรมฐานกลับเจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่องติดกันอยู่เป็นเวลา19ปี19พรรษาเนยนะโหมหากุศลเกิด19ปีเต็มเลยนะไม่มีแทบไม่มีอกุศลแทรกเลยอะ่ะเพราะท่า น, ท, านท่านกิจกรรมของท่านวิถีชีวิตของท่านเนี่ยเป็นกุศลอย่างเดียวถามว่าเอ๊ะท่านทําได้ยังไง บอกไม่ต้องห่วงเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคือชีวิตของท่านเหล่านั้นอะเกิดมาเพื่อศาสนาจริงๆคือท่านเกิดมาในแผ่นดินเนี่ยเ น, นเรื่องนี่อยู่ที่ศรีลังกาเพราะท่านเหล่านี้เกิดมาในแผ่นดิ น, นรศรีลังกาไอแผ่นดินศรีลังกาเนี่ยพศก่อนเก้าหลังจากพศประมาณ200เป็นต้นมาจนถึงพศพันเศษนเนี่ยนะมันเป็นยุคทองขอ ง, ของเกาะนั้นจริงๆมันเป็นยุคทองที่เรียกว่ามันไม่ใช่ มันไม่เหมือนกับแผ่นดินอื่นที่คนจะนําลับที่ไปเผยแพร่นะสถานที่นั้นๆง่ายๆมันก็มีแต่พุทธศาสนาบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นมากเลยนะแล้วสถานที่มันดีจริงๆก็มาไปเห็นแล้วอชอบมากเลยสีร่างกาเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนเกินไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหมือนกับภาคใต้อะเป็นเขียวชอุ่มไปหมดสวยน่าอยู่แล้วก็แล้วท่านเหล่านั้นโดยมากทรงพระไตัยไปดกกันอย่างน้อยท่านทรงหนึ่งในกายสองกายเนี่ยนะจำคำพีได้เป็นเล่มๆนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะท่านไม่มีหนังสือพิมพ์ให้อ่านเนียนะท่านก็ไม่แบ่งเวลาไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่แบ่งเวลาไปเรื่องขยะมูลฝอยเรื่องทั้งหลายแหละไม่มีมีอยู่แต่กับอริยสัจธรรมท่านก็จะจำคำสอนได้มากนั้นท่านก็สามารถที่จะบริหารจิตของท่านให้เป็นกรรมฐานได้ยาวเนะเป็นบุญเป็นกุศลได้ได้มากท่านก็เลยเจริญกุศลได้สืบเนื่องกันประมาณ19ปี ได้ยินว่าแม้คนทั้งหลายกําลังไถ่กาลังหว่านกําลังนวดทํางานกันอยู่เห็นพระเถระเดินอย่างนั้นคือท่านรูปนี้พอเดินไปลืมคือคือคือวิธีการเจริญครั้งแรกเนี่ยนะเขาเขาจะไม่ไม่คิดว่าเขาจะต้องเจริญวันนี้เป็นบุญทั้งวันเนี่ยเขาจะไม่คิดแบบนั้นหรอกเขาจะคิดว่าจากนี้ไป20เมตรเนี่ยเขาจะคิดยังไงให้เป็นบุญจากนี้ไปเดินทางไปข้างหน้า50เมตรเนี่ยคิดยังไงให้เป็นบุญถ้าเดินไปได้10เมตรแล้วเป็นบุญ แล้วก็เดินไปอีก19แล้วเป็นบาปกลับมาเดินไอ้สิถอยหลังกลับมา19แล้วเดินต่อไปเขาจะค่อยๆตั้งเขาบอกว่าหนทางมันจะหลายหมื่นไม่ก็ช่างเถอะเขาจะเริ่มที่เขาจะคิดแค่มว ไ, วคไคม้เดียวไว้ก่อนคิดไว้แค่ไม้เดียวไว้ก่อนเขาจะอย่างสมมุติถ้าเราจะบริหารกุศรรลจิตให้เป็น24ชั่วโมงทําได้ไงทําอย่างงี้ว่าชั่วโมงนี้จะทํากุศลอะไรได้บ้างพอครบชั่วโมงปั๊บแล้วชั่วโมงต่อไปจะทํากุศลอะไรได้บ้างพอครบชั่วโมงอีกก็คิดต่อไปว่าเออชั่วโมงต่อไปจะทํากุศลอะไรไรด้บ้บาง แต่ถ้านั้นยังไม่ไหวอย่างยาวไปบอก20นาทีเนี่ยภายในระยะเวลาที่นั่งเราจะนั่งทํากุศลอะไรได้บ้างเออจะลุกไปเดินแล้วนะจากเดินเนี่ยเดินให้เป็นกุศลอะไรได้บ้างจากไปนอนเนี่ยกว่าจะหลับเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกุศ ล, ลจิตอะไรกว่าจะหลับเขาจะมีการค่อยๆ ค, คิดไปอย่างนี้มันก็จะยืดไปเอง น, น, นะนะมันจะค่อยๆเป็นได้บ่อยเรียกว่าหรืออย่างน้อยที่สุดก็สับวางช่องว่างจากอากุศลให้เป็น กุศลบ้างเนี่ยนะมันจะมีกุศลเช้าสายบ่ายค่าเออมีทั้งสรอบนะแล้วก็สับว่างเพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มไปเรื่อยๆกุศลจิตมันก็จะเป็นหนาแ น, น่นมันก็จะเป็นไปบ่อยอนะอย่างพระเทพ ร, รูปนี้ท่านก็ทําลักษณะนี้เพราะท่านทําได้ไปอย่างขณะไหนที่ท่านเดินแล้วท่านหลงลืมสติท่านจะกลับมาที่เก่าพวกชาวบ้านเขาก็เลยสนทนาว่าเอ๊ะทำไมท่านเดินกลับไปกลับมาสงสัยท่านจะหลงทางมั้งเฮ้ยอาจจะทําของตกหรือลืมอะไรอยู่หรือเปล่า คนมาลืมไนหะเดินกลับไปเอ๊ะกลับไปแล้วก็เดินต่ําอีกหรือว่าไม่ลืมอ่ะนะเอ๊ะหรือว่าลืมหรือว่าไม่ลืมคล้ายๆว่าท่านนี้ตกกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าท่านก็ไม่สนใจคําวิจารณแช่นะว่าเขาวิจารณ์เขาก็เห็นแต่ภาพอ่ะนะเขาเห็นแต่ก็เรียกว่าตาเห็นสีของพระแต่ว่าไม่รู้จิตใจของว่าพระเนี่ยท่านเจริญกรรมฐานอะไรท่านก็ไม่สนใจในคําเหล่านั้นทําแต่สมณะธรรม สมณธรรมนี่แปลว่าธรรมของผู้สงบเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะท่านสนใจแต่ศีลสมาธิปัญญาท่านไม่สนใจหรอว่าคําวิจารณ์คนอื่นจะวิจารณ์ว่าอย่างไรเพราะว่าไม่ใช่ภาระของท่านไม่ใช่สาระของท่านที่ท่านมาบวชเนี่ยบวชมาสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาเพรา ะ, ะนั้นคำวิจารณ์คําชมคําติท่านก็ไม่สนใจเอาถือแต่เอาแต่สมณธรรมคืออธิศรรีลอธิรรอธ จ, จิตและอธิปัญญาเป็นประมาณ จิตที่ประกอบด้วยกรรมฐานคือสมถวิปัสสนานั่นแหละพรนษาที่2ี่สิบก็เป็นพระอารหรันต์เลนะสปีเนี่ย น, นะนะโครงการลงทุน2ี่ปีเนี่ยนะปีเรียบร้อยเลยเนี่ยนะเสร็จกิจเลยนะสำเร็จฝึก2นะี่ปีเนี่ยบรรลุมรรคผลเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือศึกษาจนท่านเข้าใจชัดเจนอยู่แล้วว่าบรรลุอริยสัจเนี่ยอย่างบรรลุอรหัตผลอรหัตผลคืออะไรอันนะั้นมันเกิด คิดว่าอรหัตตะพน์มันเหมือนกับยอดสูงสุดเลยนะถ้าเป็นองค์พระเจดีเนี่ยก็คือเหมือนกับยอดที่ที่ระยอดข้างบนเหมือนกับเช่นดอกบัวเนี่ยนะดอกบัวที่บนยอดเจดีเช่นเจดีนครปฐมเนี่ยยอดสูงสุดเลยนะถามว่ารองรล่างล่างล่างล่างล่างจนเราไปถึงพื้นดินเนี่ยการก่อสร้างเหล่านั้นจะเป็นไปโดยลําดับกว่าจะถึงจุดนั้นได้อย่างไรฉันใดใจของเราที่จะไปถึงมงกุฎคือกุศลธรรมยอดแห่งกุศลธรรมคืออรหัตตมรัก ผลของอรหัตตมรคคืออรหัตตผลคุณธรรมจะค่อยๆจเจริญไพ่บู์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างนั้นได้อย่างไรจะต้องเข้าใจอย่างนั้นให้มันโดยหลักการโดยหลักการเนี่ยโดยปริยัติต้องเรียนจนเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะจริงก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรที่มากมายหรอกก็อยู่ในสูตรตามมายาญาณเนี่ยนะมันก็มีอยู่แค่16หัวข้อเท่านั้นแหละว่าอะไรควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรจเจริญควรทําให้แจ้ง ถ้าเจริญกุศลมันเสื่อมยังไงมันดำรงอยู่ยังไงมันเจริญขึ้นยังไงมันชำระกิเลสได้อย่างไรหรืออันนี้จังมันสิ้นไปยังไงทุกขังมันน่ากลัวยังไงอนนาตามันไม่มีสาระอย่างไรแล้วทุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นอย่างไรปรับความรู้ความเข้าใจแล้วปฏิบัติเป็นไปตามลําดับอย่างไรนะถ้าตั้งโจทย์เป็นตอบได้มันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่สําคัญว่าคิดว่ายากนะมันก็ยากทางใจนะมันก็เลยยาก แต่ถ้าคิดว่าไม่ยากเขาก็เรียนกันได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่ดีจริงเรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วเขาจะรักษาเอาไว้ทำไมเนี่ยนะเขาก็รักษาเอาไว้เพื่อเราเรานี่แหละแสดงว่าเรามีบุญแน่เขาจึงรักษาเอาไว้ให้แสดงว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าเราเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะต้องคิดให้กําลังใจตัวเองม้างไม่ใช่โอยมีแต่เหยียบย่าซ้าเติมบอกโอ้ยเราไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเราไม่วิเศษขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้มีบุญขนาดนั้ น, อ น, น, นโอ้ยทำไมดูถูกตัวเองจังเลยเนาะคนที่ไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยเพออราะ เหตุผลอันดับแรกเลยคือดูถูกตัวเองเหตุผลที่สองดูถูกผู้แสดงสดเหตุผลที่สมดูถูกพระธรรมเหตุผล3อย่างนี้ไม่ต้องบรรลุ ก, กันแล้วเหมือนกนบางท่ายังคืนดูถูกตัวเองยังดูถูกพระธรรมเป็นต้นก็ยากสรุปว่าพระเนี่ยนะท่านหาปุสาเทวะบรรลุภายในภรษาที่20ในวันที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาที่สิงอยู่ที่ปลายทางจงกรมของท่านก็ได้ยืนชูนิ้วแทนประทีปเหมือนกันเถอะ ชเหมือนลิโพหรืป่าก็ชูแบบนั้นแล้วก็เหมือนแสงสว่างประที่ขึ้นมานะเท้ามหาราชทั้ง4 น, นะคือเทา้าจตุโลกบาลเท้าสักจอมเทพเทา้าสามบดีพรมก็พากันมาที่บำรุงท่านมาอุปถัมภ์ท่านพระวณวาสีติสสะมหาเทระก็คือพระอีกรูปหนึ่งวณวาสีแปล ว, ว่าอยู่ป่าโดยปกติติสสะก็คือท่านชื่อติสสะหรือชื่อสามอ่ะ น, นะพระสามว่า ง, งั้นเธออยู่ป่าโดยปกติเลยเรียกว่าพระวณวาสีติสสะ มหาเทระรูปนี้ก็แปลว่าพรรษาเกินยี่สิบเหมือนกันท่านเห็นแสงสว่างของเทวดาเหล่านั้นในวันที่สองก็ถามท่านพระมหาปุตตะเทวเทระว่าในเวลากลางคืนที่สํานักของท่านก็มีแสงสว่างแสงสว่างนั้นเป็นแสงสว่างอะไรพระเทระเมื่อจะทําการกรบเกลื่อนนะครัเรียกว่าเบนเบนประเด็นออกไปว่าเออธรรมดาแสงสว่างอแสงอะไรก็ได้เช่นแสงประทีบบ้างแสงแก้วมณีบ้าง ต่อมาท่านก็กำชับพระวณวาสีติสัทระไว้ว่าท่านจงปกปิดอะไรแล้วก็รู้พระเทระเหล่านั้นรับคําท่านก็เลยเล่าให้ฟังถ้าถ้าจะช่วยปิดความลับเอาไว้เนี่ยนะก็จะเล่าให้ฟังคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเคยเคยได้ใครอ่านพระไตรปิฎกเจอบ้างไหพระษารีบุตรไปที่ไหนบอกอาตมาอารหันต์นะไม่มี มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละที่มีชื่อเสียงอย่างนี้ว่าอิทาตถาคตโลเกอุปปโนเช่นว่าก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือว่าพระพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้ไกลจากกิเลสนั่นแหละอรหันต์ถ้าเครื่องหมายอรหันต์นำหน้าแล้วพูดตลอดนำตลอดเวลามีมีอยู่ท่านเดียวคือพระพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนอื่นๆเนี่ยนะน้อยมากแล้วส่วนทั่วทไปโดยมากก็ระบือไปเองซะส่วนใหญ่ กิติสัตโตะปุคโตเนี่ยนะอิติปิโสภะควาเป็นต้นก็เป็นกิติสัตย์ชื่อเสียงที่ระบือไปว่าเนี่ยเป็นพระาหันไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นเนี่ยนะส่วนอย่างทั่วๆไปเนี่ยท่านจะปกปิดเ้าเรียกว่าท่านมักน้อยในอธิคมมักน้อยในอธิคมหมายาว่ามักน้อยเนี่ย บรรลุมรรคผลแล้วไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเพราะความมักน้อยสันโดษของท่านก็หลายแห่งเขาทางคําถามว่าเอ๊ะน่าจะบอกคนอื่นบั่งคนอื่นจะได้รู้จะได้มีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเอางั้นก็เคยเห็นเศรษฐีไปที่ไหนแล้วก็เอาแบงค์เอาทองเอาอะไรมากลางโชว์ต่อหน้าแล้วก็คนอื่นเขาจะได้อยากเป็นเศรษฐีคนอื่นก็ได้เอาแบบเอาอย่างมีใครเขาทาแบบนั้นกันไหม มีใครบอกว่าเออเนี่ยโยมนั่งมาเนี่ยโอยเนี่ยตบกระเป๋าเนี่ยมีมาเท่านี้นะเราให้ฟังเนี่ยมีมาเท่านี้เป็นต้นเนี่ยเขามีใครเล่าแบบนี้ไหมบอกไม่มีใครพูดอย่างนั้นฉันใดภรรยะบุคคลทั้งหลายผู้มีอริยทรัพย์ก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็จะไม่พูดถึงว่าตัวเองมีอริยทรัพย์อย่างไรบ้างแม้กระทั่งเดี๋ยวในที่อื่นถ้ามีคนเอาอริยทรัพย์ของท่านไปอวดเนี่ยนะแล้วเขาถวายปัจจัยสีท่านท่านยังไม่เอาเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างคติการะ ช่างม้อเนี่ยท่านบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยการเหมือนกับอะไรนะขายตัวนะคือคือการที่เอาอาริยทรัพย์ออกมาเปิดเผยแล้วให้คนอื่นเขาเลื่อมใสเนี่ยนะก็บอกก็เหมือนก็มีความรู้สึกเหมือนกับมาตุคามที่ที่เปิดของลับให้คนดูเพื่อจะได้คนชอบเท่านั้นแหละนะบางทีก็ท่านก็จะตาหนิค่อนข้างรุนแรงในลักษณะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะจึงจาเป็นลักษณะคําคอรหามมากกว่าคําสรรเสริญฉันใดตรงนี้ก็เหมือนการพาระยะบุคคลทั้งหลายโดยมากก็จะ ปกปิดคุณที่มีอยู่แต่ท่านเหล่านั้นไม่ตรนีคือท่านจะไม่คิดว่าความอัศจรรย์มีแค่ท่านคนเดียวคนอื่นไม่ต้องบรรลุหรอกท่านจะไม่คิดแบบนี้ท่านปรารถนาจะให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกบรรลุทั้งนั้นแหละแต่ท่านจะไม่บอกว่าท่านบรรลุอะไรเนี่ยนะคือจะไม่เอาตัวเองมาอ้างเองเลยแม้กระทั่งเทวดาอีกหลายๆเรื่องเนี่ยคือลักษณะในพระไตรปิฎกอัตถกถาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคือคือท่านเป็นผู้ที่ปกปิดอริยคุณเสมอเนี่ยนะ อีกเรื่องหนึ่งสําหรับพระที่นำกรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับเช่นพระมหานาธถระชาวกาลวัลิมณดกได้ทราบว่าพระเถระรูปนี้ก็บําเพณขะตะปัจจาคตะวัดอธิษฐานจงกลมอย่างเดียวสิ้นเวลาเจ็ดปีถือเอาการเดินเป็นหลักเนี่ยนะเดินเจ็ดปีแต่ว่าอาจจะถ้าหลักก็จะยืนหลับเป็นต้น น, นะว่าเราจะบูชามหาประทานความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นปฐมก่อนครั้งแรกเลยถือปฏิบัติหลักเลย7ปีนี้เดินอย่างเดียวแล้วก็บำเพ็ญขะตะปัจจากตะปัจจักิตกวาอีก16ปีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านมีจิตประกอบด้วยกรรมฐานนั่นเองยกเท้าขึ้นถอ ย, ถอยกลับยกเท้าโดยจิตที่ไม่มีขณะไหนที่จิตปราศจากกรรมฐา น, า น, นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเดินไปที่ที่เดินไปจนถึงใกล้หมู่บ้าน อันนี้พูดถึงพระเนี่ยพระสมัยก่อนโดยมากก็ระหว่างวัดกับบ้านก็ห่างกันอยู่แล้วเนี่ยนะ ก, ก็วัดก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านหรือว่าอาจจะอยู่ต้นหมู่บ้านหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเดินจากทีนี้ไอ้ก่อนที่ลงมาจากวัดมาโดยมากท่านก็จะไม่ใช่ว่าห่มจีวรครองอะไรเรียบร้อยก็จะนุ่งธรรมดานี่แหละแล้วก็ไปห่มจริงๆน่นะ่ะก่อนจะเข้าหมู่บ้านแลวจะไปยืนณสถานที่ที่คนไม่เห็น น, นะนะก็จะยืนห่มผ้า พอหอมผ้าเสร็จเนี่ยการเข้าไปหอมผ้าในสถานที่ที่มันมีต้นไม้บางๆบ้า ง, างเพราะฉะนั้นไอ้ขณะที่ท่านหอมผ้าเนี่ยคนเนี่ยไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นพระหรือเป็นวัวกันแน่เพราะสีจีวรของพระกับสีของวัวไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คนอาจจะสงสยัยไอ้วัวหรือพระก็จะไปหลบหลไปหอมผ้าแบบนั้นนี่เสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยล้างบาตรคือปกติแล้วบาทของพระเนี่ยเขาจะล้างก่อนจะล้างก่อนเขาจะไม่ไม่เอาผ้าเช็ด เวลาก่อนจะมีบินธบัตจะเอาน้ำเนี่ยเทลงไปเสร็จแล้วก็จ ะ, ะแกว่งแวงแกว่งแกว่ ง, แ, ว ง, แ, วงแล้วก็สาดน้ําทิ้งไปเลยเสร็จแล้วจะไม่มีการเช็ดแต่ก็สบัดสบั ด, ส, บดสักนิดหนึ่งอ่ะนะให้น้ําหยาบใหญ่หญๆเนี่ยมันออกไปโยบางคนเห็นเลยขยันจะไปช่วยเช็ดให้ท่านท่านบอกว่าไม่ต้องเช็ดที่ที่ไม่เช็ดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีถ้าเช็ดมันจะมีเศษผ้าเปื้อนอยู่ด้วยถ้าเศษผ้าของตัวเองแล้วมาเปื้อนเนี่ยถือว่าฉันอาหารที่ไม่ได้รับประค reten ะแล้วก็มีพระวินัยว่าจะต้องมีการล้างบาทก่อนรับอาหารอย่างนั้น ทันก็เสร็จแล้วน้ําส่วนหนึ่งท่านก็มาอมมาไว้อมไวเพราะคิดว่าเราอย่าได้ทิ้งกรรมฐานด้วยเหตุที่พูดกับคนที่มาถวายพิจษาหรือว่าโมวแต่พูดคําว่าขอจงมีอายุยืนเถิดคือพระเนี่ยบางทีก็บางรูปเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตก็ขี้คุยจังเลยเนี่ยนะอ้ยคุยจริงๆไอต่างหัวบ้านท้ายหมู่บ้านเนี่ยพูดคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะมันรู้จักกันทั้งหมู่บ้านไปหมดเลยนะก็อู้ยกว่าจะโมก่กว่าจะผ่านทางบ้านเนี่ยนะเหนื่อยที่สุดเลยเดินตามพระที่คุยเนี่ย แล้วก็อีกบางรูปเนี่ยก็ถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็จะพูดแตขอให้มีความสุขมีอายุยืนเถอะเนี่ยนะพระก็บอกว่าเอออย่าไปยุ่งมัวแต่พูดคําเหล่านี้เลยก็อนมน้ําเอาไว้ไม่ต้องพูดคุยกับใครสักคนวันนี้ว่าอมลูกอมไปทั้งเม็ดหนึ่งเลยนะเสร็จแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรคือเป็นวันกี่ข่ําเป็นต้นเนี่ยนะหรือวันฟังธรรมไหมอะไรไหมก็มีสอบถามอย่างนี้หรือถามจํานวนพระพิสูจน์หรือถามปัญหาธรรมะ ก็จะกลือ น, น้ำแล้วค่อยบอกว่าตั้งสติไว้ก่อนเลยนะว่าจะพูดเนี่ยต้องพูดด้วยกุศลจิตนะพูดด้วยกรรมฐานนะพูดด้วยเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังพูดด้วยอ น, นัตด้วยกุศลจิตอย่างเดียวก็ตั้งไว้แล้วก็กลือ น, น้ําแล้วก็ตั้งสติสัมปชัญญะในการเจริญกุศลธรรมอย่างเดียวพูดด้วยกุศลอย่างเดียวถ้าไม่มีคนถามก็ออกจากหมู่บ้านแล้วค่อยบ้วนปากทิ้ง เขบอกว่ารอยบ้วนปากเนี่ยนะรอยบ้วนปากก็โดยมากสีลังกามันทรายเยอะเนี่ยนะว่เป็นประเทศที่เป็นเกาะทรายมันจะค่อนข้างมากหน่อยมันก็ทร า, ายเหล่านั้นพอบ้วนไปมันก็จะมีรอยน้ํารอยน้ํารอยน้ําเหมือนพระพิสุห้าสรูปที่อยู่ที่กะลัมพระติดถาวิหาระกละลัมพรติดถาเนี่ยคำว่าติดถาเนี่ยแปลว่าท่าก็คือแปลว่าอยู่ฝั่งทะเลเนี่ยนะแปลว่าอยู่ใกล้ท่าน้ําท่าน้ํากะลัมพระเนี่ยนะกละลัมพระ เป็นวัดวัดอยู่ชายทะเลได้ทราบว่าวันอาสาฬหาุูรณีกลางเดือน8ท่านเหล่านั้นก็ทำกติกาวัดวันเข้าพรรษาเนี่ยนะวันเข้าพรรษาก็มาทำกติกาตกลงพูดคุยกันเลยว่าถ้าเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องพูดกันไม่ต้องมีธุระอะไรไม่ต้องมาคุยกันเรื่องอะไรเท้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเวลาท่านเหล่านั้นเข้าไปบินธบาติแต่ละรูปก็จะอมน้ําเข้าไปเมื่อถูกถามถึงวันเป็นต้นก็ปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วไอ้คําว่าไม่พูดคุยกันคือจะไม่มีการคุยเรื่องอื่นเป็นต้นไม่มีเว้นแต่ทําปาติโมกเป็นต้นเนี่ยนะตามพระวินัยบัญญตัติแต่ว่าเรื่องอื่นๆจะไม่มีการพูดคุยกันถือว่าทุกคนรู้กันหมดเนี่ยนะเพราะถือว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแต่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์อยู่แล้วเป็นอย่างดี คนทั้งหลายเวลาเห็นรอยบ้วนน้ำณที่นั้นก็รู้ว่าวันนี้พระมาวินทบาทหนึ่งรูปสองรูปเป็นต้นคือท่านเหล่านี้ฉันไม่ใช่ท่านจะฉันทุกวันบางองค์ก็ฉันบางบางองค์ก็ว่าสองวันฉันทีหรือบางองค์ก็สองสามวันแล้วก็พักไม่ฉันหนึ่งวันเป็นต้นถ้าช่วงไหนกุศลจเจริญเต็มที่ท่านก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ฉันนะนะท่านก็จะเจริญกุศลเพราะท่านไม่ได้ถือมุ่งบํารุงรูปท่านมุ่งบํารุงกุศลธรรมนะนะท่านก็จะเจริญกุศลธรรมถือเอากุศลธรรมเป็นภาระเป็นสาระ เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่าไปบินธบาต ท, ทุกรูปทุกวันเนี่ยนะเป็นกติกาเพื่อโชว์ประชาชนเป็นต้นไม่ใช่เพราะท่านเหล่านั้นท่านรู้ว่าท่านเข้ามาบวชทำไมเจริญเพื่ออะไรท่านต้องการอะไรเนี่ยนะทีนี้ชาวบ้านนี่งงเอง๊ชาวบ้านเนี่ยไม่พูดเฉพาะกับพวกเราเท่านั้นหรือหรือว่าแม้แต่พระด้วยกันเองก็ไม่คุยกันชาวบ้านนี่ชัก ส, สงสัยแล้วว่าทาไมพระไม่พูดเลยไม่พูดกันเพราะอะไรนะว่างั้น ถ้าหากว่าท่านไม่พูดกันน่าจะทะเลาะกันแน่มาเถอดเดี๋ยวเราทั้งหลายไปให้ท่านขอเข้ามากันดีกว่าปกติคนไม่พูดกันก็คือคนทะเลาะกันใช่ไยมไปเจอพระไม่ค่อยพูดกันเลยก็เลยเองงงละทุกคนก็ไปกันที่วัดไม่เห็นพระภิกษุแม้แต่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปในจํานวนพระห้าสิบรูปต่างคนต่างแยกยินดีในกายวิเวกเนี่ยนะทั้งหมดเลยบรรดาต่อมาก็มีคนตา ด, คนาดีคนฉลาดคนหนึ่งก็พูดว่า ท่านทั้งหลายคนทะเลาะกันเนี่ยในะสถานที่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกดูสิลานเจดีก็สะอาดลานโพก็กวาดเรียบร้อยไม่กวาดก็เก็บไว้อย่างดีถ้าคนทะเลาะกันมันรุกรุงรังดูไม่ได้เลยดูสิน้ําฉันน้ำใช้น้นำฉันน้นําใช้ก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อจากนั้นเขาก็กลับบอกว่าแสดงว่าท่านเหล่านั้นเจริญสมถาวิปัสสนากันอยู่ภายในพรรษาภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในวันมหาปวารณาคือวัน เราเรียกว่าปวารณาออกพรรษานะวันมหาปวารณาคือก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันเนี่ยก็ปวารณาการด้วยวิสุทธิปวารณาเป็นผู้บริสุทธิ์ปรารถนาปวารณาการด้วยความบริสุทธิ์นะว่าทุกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นภิกษุนะั้นมีจิตประกอบด้วยกรรมฐานถ้ายกเท้าขึ้นก็ยกเท้าด้วยกรรมฐานก็ใกล้บ้านก็อมน้ําเอาไว้พิจารณาดูทางหลายสาย ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยกล่าวตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งสาหรับช่วงเช้าก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน